นิพพานกถาต่อไปนี้จะกล่าวถึงพระนิพพานอันเป็นอารมณ์ของมรรคผลโดยสังเขปพระนิพพานนั้นไม่ใช่ประสาทมหานครแสงสว่างหรือความร่มเย็นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นบัญญัติคือสิ่งที่ชาวโลกสมมติกันและเป็นสังคตธรรมคือธรรมที่เกิดตามเหตุปัจจัยคือกรรมจิตอุตุและอาหาร แต่พระนิพพานเป็นปรมาถ ธ, ธรรมคือธรรมที่เป็นสภาวะอันสูงสุดไม่แปรปลวนและเป็นอสังขต ธ, ธรรมคือธรรมที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งพระนิพพานนี้มีลักษณะสงบจากกิเลสและทุกข์ในวัตตะคือรูปนามสันติลักษณ์ะและไม่มีสังขารรูปนามที่เกิดดับอยู่เสมอคือวิสังขาร ที่จริงแล้วพระนิพพานได้ชื่อว่าวิสังขารเพราะเป็นสภาพตรงกันข้ามกับสังขารที่ชาวโลกรับรู้กันว่าเป็นบุคคลเป็นเราของเราคัมภีรปฏิสัมพิทามักแสดงลักษณะของพระนิพพานว่า 1. ความเกิดขึ้นของรูปนามเป็นสังขารความไม่เกิดขึ้นเป็นพระนิพพานสอ ความดําเนินไปของรูปนามเป็นสังขารความไม่ดําเนินไปเป็นพระนิพพาน 3. นิมิตคือสังขารรูปนามเป็นสังขารความไม่มีนิมิตเป็นพระนิพพาน 4. ความขนขวายคือกุศลและอกุศลเป็นสังขารความไม่ขนขวายเป็นพระนิพพานห การเกิดใหม่เป็นสังขารการไม่เกิดใหม่เป็นพระนิพพานข้อความข้างต้นแสดงว่าพระนิพพานคือสภาพดับสังขารรูปนามทั้งหมดที่เป็นความไม่เกิดขึ้นก่อนของรูปนามความไม่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดขึ้นแล้วความไม่มีนิมิตคือสังขารที่ปรากฏเหมือนมีจริงความไม่ขวนขวายทากุศลและ อกุศลเพื่อให้ตนอยู่ดีมีสุขและการไม่เกิดใหม่นอกจากนี้ยังมีคำสับแสดงถึงพระนิพพานอันประกอบรูปสับมาจากธาตุในพระบาลีอธกิกถาอาทิเช่นนิพพันติทีราผู้มีปัญญาย่อมดับนิพาเป็นติราคะคิงย่างไฟราคะให้ดับ ปรินิพานเตย่อมปรินิพานปรินิพาตุสุขโตขอพระสุคตโปรดปรินิพานปรินิพายยยะพึงปรินิพานปรินิพายิปรินิพานแล้วปรินิพายิสติจากปรินิพานอันตราปรินิพายีผู้ปรินิพานในระหว่าง ปรินิพุโตปรินิพานแล้วดังนั้นจึงตั้งรูปวิเคราะห์คือคําจํากัดความของคําว่านิพานดังนี้ 1. ทุกในวัตตะย่อมดับไปในสภาวะนี้เหตุนั้นสภาวะนั้นชื่อว่านิพานคือสภาวะเป็นที่ดับทุกสองทุกในวัตตาย่อมดับไปเมื่อบุคคลบรรลุสภาวะนี้เหตุนั้นสภาวะนั้นชื่อว่านิพาน คือสภาวะทำให้ดับทุกข์ 3. ความดับชื่อว่านิพพานสภาวะดับทุกข์นิพพานอันเป็นสภาวะดับรูปนามดังกล่าวตรัสไว้ในพระบาลีว่าอตากาวจโรอย่างลงไม่ได้ด้วยต ก, กะคือไม่ใช่สมมุติบัญญัติที่รู้ได้ด้วยการตรึกนึกคิดคำพีโรลึกซึ้ง คือไม่ปรากฏชัดเหมือนสมมติบัญญัติทุทธโสเห็นได้ยากคือไม่อาจรู้เห็นได้ด้วยปัญญาปกติที่เกิดจากการเรียนรู้คือสุตตมยปัญญาหรือเกิดจากการคิดจินตามยะปัญญาบัณฑิตเวทนิโยเป็นวิสัยที่บัณฑิตจะพึงรู้แจ้งคือเป็นสิ่งที่บัณฑิตผู้เจริญวิปัสนาบารรลุมรรคยาน และผลยาแล้วจะพึงเห็นโดยประจักษ์อนหนึ่งนิพานนี้ไม่ใช่อารมณ์ของตัณหาที่ผูกพันกามคุณจึงเป็นสภาวะที่พ้นไปจากตัณหาหรือเป็นสภาวะปราศจากตัณหาที่จริงแล้วผู้ที่รู้เห็นนิพานด้วยมักคยานย่อมดับตัณหาไปจากจิตของตนดังข้อความในพระบาลีว่าหนึ่งในบาทคถาว่า นิพพานังอิตินางพรูมิตถาคตกล่าวสภาวะนั้นว่าเป็นนิพพานตันหาได้ชื่อว่าวานะสภาวะผูกพบนั้นนั้นให้กับพบอื่นและผูกกรรมเข้ากับผลกรรม 2. ราคะใดมีอยู่ราคะนั้นเป็นอภิชาเป็นอกุศ ล, ลมูลคือโลภะ 3. ตถาคตกล่าวการละตันหา ความสงบแห่งตันหาการสละตันหาการระงับตันหาว่าเป็นนิพพานอันไม่ตายโลกมีความเพลิดเพลินประกอบไว้ความตรึกไปในอารมณ์ต่างๆเป็นเครื่องสัญจรของโลกนั้นตถาคดกล่าวว่านิพพานเพราะละตันหาได้เด็ดขาดตามหลักที่กล่าวมานี้จึงตั้งรูปวิเคราะห์ของนิพพานสับอีกในหนึ่งว่าหนึ่ง สภาวะพ้นไปจากตัณหาชื่อว่านิพพาน 2. อตัณหาย่อมไม่มีในสภาวะนั้นเหตุ น, นันนมมน้นสภาวะนั้นชื่อว่านิพพานคือสภาวะเป็นที่ปราศจากตัณหา 3. าตัณหาย่อมไม่มีเมื่อบุคคลบรรลุสภาวะนี้เหตุนั้นสภาวะนั้นชื่อว่านิพพานคือสภาวะที่ทําให้ตัณหาปราศจากไป ตามรูปวิเคราะห์ข้างต้นนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นไปจากตัณหาโดยองค์ธรรมคือความสงบแห่งรูปนามและทุกในวัตตะทั้งหมดนิพพานนั้นมีความไม่เป็นมิตรเป็นเครื่องปรากฏอนิมิตตะปัจจุปัฏฐานังคือปรากฏในปัญญาของพระอริยะโดยปราศจากนิมิตคือรูปร่างสันฐานที่ผู้รู้เห็นนิพพานแล้ว จึงไม่อาจกล่าวว่านิพพานมีรูปร่างอย่างไรหรือเหมือนกับสิ่งใดท่านรู้ว่านิพพานเป็นความดับไม่เกิดอีกของรูปนามที่เกิดดับอยู่เสมอและกล่าวถึงสภาวะดับนั้นโดยปราศจากรูปร่างสันฐานดังคำพีมิลินทปัญหากล่าวว่ามหาบพิษนิพพานไม่มีสิ่งใดเปรียบได้บุคคลไม่อาจแสดงสีรูปร่างขนาดหรือจานวนของนิพพาน ได้การเปรียบเทียบด้วยเหตุช่วยด้วยเหตุหลักหรือด้วยนายที่อนุมานรู้นิพาน ไ, <ués> ไม่ใช่อภาวะบัญญัติบางคนอาจเข้าใจว่านิพานเป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเพราะกล่าวไว้ข้างต้นว่านิพานเป็นความดับรูปนาม ความไม่เกิดมีของรูปนามโดยสำคัญว่านิพพานเป็นอภาวะบัญญัติคือบัญญัติที่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีแต่นิพพานไม่ใช่ความว่างเปล่าเพราะปรากฏในสภาวะดับรูปนามดังนั้นพระอริยะจึงรู้เห็นนิพพานได้ด้วยมัคคยานและผลญาณอีกทั้งกระแสรูรปนามของพระอระหันต์จะดับสนิทไม่เกิดอีกหลังจากปรินิพพานแล้ว ความปรากฏของสภาวะของนิพพานตรัสไว้ในคำพีอุทานและอิติอุตกระว่าหนึ่งดูก ร, รักพิสุททั้งหลายธรรมชาติไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นไม่ถูกเหตุปัจจัยกระทำไม่ถูกปรุงแต่งมีอยู่สองถ้าธรรมชาติอันไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นไม่ถูกเหตุปัจจัยกระทำไม่ถูกปรุงแต่งจากไม่มี 3. ความหลุดพ้นจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกเหตุปัจจัยกระทําถูกปรุงแต่งนี้จะไม่พึงปรากฏ 4. ดูกราพิสุ์ทั้งหลายก็เพราะธรรมชาติอันไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นไม่ถูกเหตุปัจจัยกระทําไม่ถูกปรุงแต่งมีอยู่ 5. ดังนั้นความหลุดจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีขึ้น ถูกปัจจัยกระทำถูกปรุงแต่งจึงปรากฏพระพุทธดารสนี้หมายความว่านิพานที่เป็นความดับไปไม่เกิดขึ้นของรูปนามมีลักษณะดังนี้คือไม่เกิดขึ้นคือปราศจากความเกิดขึ้นของรูปนามไม่เกิดขึ้นคือไม่มีความปรากฏของรูปนามไม่ถูกเหตุปัจจัยคือกรรมจิตอุตตุและอาหารกระทำให้เกิดขึ้น ไม่ถูกเหตุปัจจัยดังกล่าวปรุงแต่งให้มีลักษณะแตกต่างกันถ้านิพานไม่มีความขาดศูนย์แห่งกระแสรูรปนามที่เกิดดับอยู่เสมอก็มีไม่ได้นิพานเป็นสภาวะที่มีจริงโดยปรมัติ์เพราะเป็นอารมณ์ของมักคญาณและผลญาณหาใช้สภาพที่ไม่มีจริงเหมือนอภาวะบัญญัติและโดยเหตุที่เป็นสภาวะที่มีจริง กระแสรูรปนามที่เกิดขึ้นแก่พระอริยะจึงดับศูนย์ไม่ดำเนินในภพต่อไปหลังจากท่านปรินิพพานแล้ว 1. ปัจจัยที่เป็นอารมณ์คือนิพานนั้นมีอยู่ 2. ดินน้ำไฟลมอากาศสานัญจายตนะวิญญาณนะัญจยายตนะอกินจัญายตนะเนวสัญญาณาสัญญาญตนะ โลกนี้โลกหน้าพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองย่อมไม่มีในปัจจัยนั้น 3. ดูกระระภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวปัจจัยนั้นว่าเป็นการมาการไปการตั้งอยู่การจุดติการเกิดขึ้นปัจจัยนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได้ไม่มีการเป็นไปอย่างต่อเนื่องของรูปธรรมกับนามธรรม หาอารมณ์ไม่ได้ 4. ปัจจัยนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ข้อความว่าดินน้ำไฟลมย่อมไม่มีในปัจจัยนั้นหมายความว่าในนิพพานอันเป็นอารมณะปัจจัยของมัรคยานและผลยานไม่มีธาตุทั้งสี่และไม่มีอุปทัยรูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่พร้อมทั้งไม่มีนามธรรมที่เกี่ยวกับการพบ และรูปภพที่เกิดขึ้นอาศัยรูปข้อความว่าอากาศานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกินจัญญยายตนะเนวะสัญญาณาสัญญายตนะย่อมไม่มีในปัจจัยนั้นหมายความว่าในนิพพานไม่มีอารมณ์และนามธรรมที่รู้ธรรมเกี่ยวกับอารุปภพ ข้อความว่าโลกนี้โลกหน้าย่อมไม่มีในปัจจัยนั้นหมายความว่าในนิพพานไม่มีธรรมที่เกี่ยวกับโลกนี้และโลกหน้าทั้งหมดดังนั้นในขณะเกิดมรรคผลที่รับนิพพานเป็นอารมณ์ผู้บรรลุนิพพานย่อมไม่รับรู้เรื่องของโลกนี้เริ่มตั้งแต่จิตของตนเป็นต้นไปไม่รับรู้เรื่องของโลกหน้าอันมีเทวโลกเป็นต้น คือไม่มีความรู้สึกถึงโลกข้อความว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองย่อมไม่มีในปัจจัยนั้นหมายความว่าในนิพพานไม่มีพระจันทร์และพระอาทิตย์รวมไปถึงดาวเคราะห์ต่างๆเพราะไม่จำเป็นจะต้องมีแสงสว่างเพื่อขจัดความมืดเนื่องจากไม่มีความมืดเพราะปราศจากรูปโดยสิ้นเชิง ทั้งแสงสว่างและความมืดเป็นรูปปรมัตถ์แม้ในพระสูตรบางสูตรได้ระบุถึงการไม่มีมืดในนิพพานว่าตโมตัถาหนาวิชติติความมืดไม่มีในนิพพานนั้นข้อความว่าเราไม่กล่าวปัจจัยนั้นว่าเป็นการมาการไปการตั้งอยู่การเคลื่อนย้ายการเกิดขึ้นหมายความว่า ในพระนิพพานไม่มีการมาเหมือนการย้ายมาสู่มนุษย์สยพูมหรือเทวภูมจากภูมิอื่นไม่มีการย้ายจากนิพพานไปสู่ภูมิอื่นไม่มีการตั้งอยู่ของบุคคลเหมือนในมนุษย์สยภูมหรือเทวภูมไม่มีจุดติคือความตายไม่มีการเกิดขึ้นใหม่หลังจุติมีเพียงเป็นอารมณ์ของมักคยานปลยญาน และปัจจเวขณะยานข้อความว่าปัจจัยนั้นหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้หมายความว่านิพพานไม่ใช่รูปธรรมจึงไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ใดๆหรืออาศัยสิ่งใดและแม้เป็นนามธรรมาก็มิได้อาศัยธรรมที่เป็นปัจจัยเพราะไม่ใช่ธรรมที่เป็นผลข้อความว่าปัจจัยนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์หมายความว่า นิพพานอันเป็นอารมณ์ของมรรคผลนี้เป็นที่สุดแห่งทุกในวัตตะคือรูปนามเพราะเมื่อบุคคลบรรลุนิพพานแล้วทุกทั้งหมดก็หมดสิ้นไปนิพพานตรงกันข้ามกับสังขารหนึ่ง โดยเหตุที่นิพพานมีสภาวะไกลจากสังขารทั้งปวง 2. ดังนั้นสังคตัธรรมทั้งปวงจึงไม่มีในนิพพานเมือนนิพพานไม่มีในสังคตัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง3เพราะการประชุมร่วมกันของธรรมที่เป็นสังคตะและอสังคตตะหามีไม่เมื่อสังขารที่เกิดดับยังปรากฏอยู่บุคคลย่อมบรรลุนิพพานที่ดับสังขารไม่ได้ และสังขารก็ไม่ปรากฏในขณะที่พระอริยะรู้เห็นนิพพานท่านทราบว่าสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อปรินิพพานแล้วพระอริยะผู้รู้เห็นนิพพานที่เป็นสภาวะดับสังขารทุกอย่างด้วยมัคคิยานจะไม่เกิดตัณหาเหล่านี้คืออปายักมณียตัณหาคือตัณหาที่นำไปสู่อบาย อราริกากามตัญหาคือกรมตัญหาอย่างหยาบสุขคุมกามตัญหาคือกรมตัญหาอย่างละเอียดรูปตัญหาคือตัญหาในรูปฌานและรูปภพอรูปตัญหาคือตัญหาในอรูปฌานและอรูปภพท่านสลัดตัญหาออกไปทำให้ไม่เกิดขึ้นอีก ได้คลายเครื่องผูกคือตัญหาปราศจากความพัวพันในตัญหาดังนั้นนิพพานที่ดับสังขารอันเป็นอารมณ์ของมรรคยานสี่จึงเป็นสภาวะดับตัญหาสละตัญหาปล่อยวางตันหาพ้นไปจากตัญหาและไม่มีความพัวพันในตัญหาดังพระพุทธดำรัสว่าหนึ่งดูกราภิสุททั้งหลาย อริยสัจคือความดับทุกข์เป็นไฉนะ 2. ได้แก่ความดับสนิทโดยสิ้นเชิงความสละความปล่อยความหลุดพ้นและความไม่ปัวพันในตัณหานั้นนอกจากนั้นเมื่อบุคคลรู้เห็นนิพพานด้วยมรรคยานสี่สังขารทั้งหมดย่อมดับไปไม่ปรากฏในขณะนั้นพร้อมทั้งไม่เกิดกิเลสและขันธ์ที่ควรเกิดขึ้นก่อน จะรู้เห็นนิพพานดังนั้นนิพพานจึงกล่าวว่าที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงสละอุปธิทั้งหมดคือขันกิเลสอภิสังขารอันเป็นบุญบาปและกรรมคุณสิ้นตันหาไกรกำหนัดดับทุก์มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพระสูตรว่า แม้ฐานะนี้คือนิพพานอันเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงสละอุปธิทั้งหมดสิ้นตันหาใครกำหนัดดับทุกข์ก็รู้เห็นได้ยากนิพพานสองประเภทนิพพานมีอย่างเดียวโดยสภาวะสงบแห่งวัตทุกข์คือรูปนาม จำแนกเป็นสองประเภทตามการมีอยู่หรือไม่มีของขันดังนี้ 1. อุปาทิเศตนิพพานความดับกิเลส ข, ของพระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่โดยยังมีขันเหลืออยู่ 2. อนุปาทิเศตนิพพานความดับกิเลส ข, ของพระอรหันต์ผู้ปรินิพพานแล้วโดยไม่มีขันอย่างสิ้นเชิง อนุปาทิเศตนิพานเป็นการดับขันที่เรียกว่าขันธะปรินิพานคือขันธ์ในภพใหม่ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้อบรมมักแต่ดับสนิทไม่เกิดอีกหลังจากปรินิพานจุติจิตของพระอรหันต์เพราะได้อบรมมักแล้วดังนั้นการดับขันดังกล่าวจึงปรากฏในขณะบรรลุอรหัตตมักแต่ ไม่ใช่สภาวะที่เกิดขึ้นจริง จ, ง จ, งจึงกล่าวไม่ได้ว่าเกิดขึ้นในการไหนความจริงแล้วกิเลสและขันในภพใหม่มาเกิดขึ้นอยู่เสมอในทุกๆขณะที่มีเหตุปัจจัยพร้อมมูลเมื่อยังไม่ได้อบรมมากกิเลสและขันควรเกิดขึ้นนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วจึงไม่ใช่อดีตไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน จึงไม่ใช่ปัจจุบันและไม่ได้เกิดขึ้นต่อไปแน่นอนจึงไม่ใช่อนาคตจึงเป็นธรรมที่พ้นไปจากการทั้งสามที่เรียกว่าการวิมุติแม้ความดับสนิทไม่เกิดอีกของกิเลสและขันเหล่านั้นก็ไม่ใช่อดีตปัจจุบันและอนาคตจึงเป็นการลวิมุติเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้นิพพานทั้งสองคืออุปาทิเศตนิพพาน ที่เป็นการดับกิเลสและอนุปาทิเศตนิพานที่เป็นการดับขันจึงไม่อาจกล่าวว่าเกิดขึ้นในการและอนุปาทิเศตนิพานที่เป็นการดับขันจึงไม่อาจกล่าวว่าเกิดขึ้นในการไหนเพราะเป็นการวิมุตและเพราะเป็นสภาวะดับสนิทไม่เกิดอีกของกิเลสและขันที่เป็นการวิมุต โดยเหตุที่นิพพานเป็นการวิมุตต์ดังนั้นจึงไม่ควรสงสัยว่าพระอริยะรับรู้การดับกิเลสอนาคตในขณะบรรลุโคตรภูญานรับรู้การดับกิเลสปัจจุบันหรือรับรู้การดับอนาคตในขณะบรรลุมัคคายานในคัมภีอิติอุตตะกล่าวถึงเรื่องนิพพานว่าหนึ่งดุกระรพิสุทั้งหลาย นิพพานธาตุมีสองประเภทเหล่านี้นิพพานธาตุสองประเภทเป็นฉนคืออสุปาธิเศตนิพพานธาตุและอนุปาธิเศตนิพพานธาตุสดูก ร, รักภิกษุทั้งหลายสะอุปาธิเศตนิพพานธาตุเป็นฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสสิ้นอสวรรแล้วอยู่จบรมอาจารย์ ทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วลงภาระลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วสิ้นสังโยชน์ในภพนี้แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นย่อมเสวยอารมณ์ทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจยังเสวยสุขและทุกข์อยู่เพราะอินทรีห้ายังไม่ดับไปอินทรีห้าเหล่านี้ของเธอยังตั้งอยู่ทีเดียว ดุกราพิษุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งราคะโทสะและโมหะของเธอนี้ได้ชื่อว่าสัปปะทิเศตนิพานธาตุสดูกราพิสุทั้งหลายอนุปาะทิเศตนิพานธาตุเป็นฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสสิ้นอสวะแล้วอยู่จบพรหมจันทร์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปงภาระลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วสิ้นสังโยชนในภพนี้แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเวทนาทั้งปวงของเธอในอัตภาพนี้แหละไม่ถูกทำให้เพลิดเพลินโดยตัณหามาณและทิฏฐิจากสงบเย็นดูกราพิสุทั้งหลายความสงบเย็นนี้ได้ชื่อว่า อนุปาทิเศตนิพานนิพานธาตุสองประเภทเหล่านี้พระตถาคตผู้มีจักษุไม่ถูกตันหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศัยผู้คงที่ได้ประกาศไว้นิพานธาตุอย่างหนึ่งมีในปัจจุบันนี้ชื่อว่าสอุปาทิเศตเพราะสิ้นตันหาส่วนนิพานอีกอย่างหนึ่งที่มีในเบื้องหน้าเป็นที่ดับสนิทของภพทั้งหลายโดยสิ้นเชิง ชื่อว่าอนุปาทิเศะชนเหล่าใดอย่างรู้นิพพานธาตุที่พึงบรรลุ ด, ด้วยมัรคยานและผลยานไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหาที่นำไปสู่พบชนเหล่านั้นได้ยินดีแล้วในนิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสเพราะบรรลุธรรมอันเป็นสาระเป็นผู้คงที่ละพบได้ทั้งหมด ในคาถาข้างต้นมีคุณบทของนิพพานธาตุคืออสังคตะสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยคือกรรมจิตอุตตุและอาหารหรืออวิชาสังขารปรุงแต่งอีกในหนึ่งเป็นสภาวะตรงกันข้ามกับสังคตธรรมเหมือนน้ากับไฟความร้อนกับความเย็นความมืดและความสว่างปาชัดและที่โล่งแจ้งปัทา คือสภาวะที่พระอริยะพึงบรรลุด้วยมัรคยานและผลยานนอกจากนั้นนิพพานที่จำแนกออกเป็นสองประเภทข้างต้นแบ่งตามเหตุที่ต่างกันคือมีขันหรือไม่มีขันอันหนึ่งนิพพานเป็นอารมณ์ของมัรคยานและผลยานนั้นมีลักษณะเดียวคือลักษณะสงบจึงไม่อาจแบ่งประเภทนิพพาน ว่ามีลักษณะสงบบ้างไม่สงบบ้างดังนั้นจึงไม่ควรแบ่งนิพพานโดยความเป็นเหตุและผลว่านิพพานที่เป็นอารมณ์ของมักคยานและผลลยานเป็นเหตุที่แตกต่างจากนิพพานที่มีขันเหลืออยู่หรือดับขันอันเป็นผลมิฉนั้นแล้วจะขัดแย้งกับพระบาลีที่นำมาแสดงไว้ข้างต้นและทำให้เข้าใจผิดว่านิพพาน ที่เป็นเหตุเป็นปรมาส่วนนิพพานที่เป็นผลเป็นบัญญัติไม่มีลักษณะสงบอีกทั้งยังขัดแยง้งกับข้อความในคมภีอภิธรรมมัถสังคหะว่านิพพานนั้นมีสภาพเป็นอย่างเดียวแต่ก็จำแนกเป็นสองอย่างตามปริยายแห่งเหตุคือสอุปาทิเศตนิพพานธาตุความดับที่มีขันเหลืออยู่ และอนุปาทิเศตนิพานธาตุความดับที่ไม่มีขันเหลืออยู่บางคนเข้าใจว่านิพานเป็นบัญญัติที่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีซึ่งเรียกว่าอภาวะบัญญัติถ้านิพานเป็นอภาวะบัญญัติก็ไม่ใช่สภาวะที่มีจริงโดยปรมัติตแต่เป็นเพียงความคิดที่เป็นอารมณ์ของมโนวิญญาณจิตหากเป็นเช่นนั้นความดับกิเลสด้วย สอุปาทิเศษนิพานหรือความดับขันด้วยอนุปาทิเศษนิพานก็ไม่มีจริงพระอรหันต์ก็ยังมีกิเลสอยู่และเมื่อท่านปรินิพานแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่อีกไม่มีใครสามารถพ้นไปจากทุกข์ในวัฏะสงสารได้ นิพพานเป็นอารมณ์ของมรรคผลนิพพานเป็นอารมณ์ของมรรคผลเป็นนิพพานโดยทั่วไปแม้นิพพานสองประเภทที่กล่าวนั้นก็นับเข้าในนิพพานโดยทั่วไปดังนั้นพระอริยะที่ได้รับเอาความดับรูปนามเป็นอารมณ์ในขณะบรรลุมรรคผลจึงประกอบด้วยความดับกิเลสด้วยอุปาทิเสนิพพานและความดับขันด้วยอนุปาทิเสนิพพาน ดับรูปนามทั้งหมดในสภาวะอารมณ์ที่ตนรับรู้ท่านมิได้รู้เห็นความดับรูปนามโดยจําแนกว่ามีขันเหลืออยู่หรือไม่มีขันเหลืออยู่มิได้รู้อารมณ์ทีละส่วนโดยจําแนกเป็นความดับราคะความดับโทสะความดับโมหะความดับรูปความดับเวทนาไม่ได้รู้อารมณ์โดยจําแนกเป็นความดับในอนาคต และไม่ได้รู้อารมณ์พร้อมกับคำบัญญัติว่านิพพานดับรูปนามไม่มีกิเลสไม่มีขันไม่มีสังขารดังนั้นนิพพานที่พระอริยะเห็นแจ้งจึงไม่ใช่อภาวะบรรยัติที่เกิดจากความนึกคิดผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุนิพพานแล้วจะรู้เห็นว่ากิเลส ด, ดับไปจากจิตของตนและขันในพบใหม่ ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและจะเข้าใจว่านิพพานเป็นสภาวะลึกซึ้งเห็นได้ยากไม่ใช่วิสัยของการตรึกนึกคิดมีข้อความเกี่ยวกับนิพพานในสังยุตตินิยว่าหนึ่งดูกะระภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นคือนิพพานสองจักสุและสัญญาในรูปดับ นที่ใดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้น ค, <ork> คือที่ดับของจักรสุ <amento> และสัญญาในรูป 3. หูและสัญญาในเสียงดับนที่ใดบุคคลพึงรู้ชัดปัจจัยนั้น <package> คือที่ดับของหูและสัญญาในเสียง 4. จมูกและสัญญาในกลิ่นดับนที่ใดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้น คือที่ดับของจมูกและสัญญาในกลิ่น 5. ลิ้นและสัญญาในรสดับนาที่ใดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นคือที่ดับของลิ้นและสัญญาในรส 6. กายและสัญญาในการกระทบสัมผัสดับนาที่ใดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นคือที่ดับของกายและสัญญาในการกระทบสัมผัส 7. ใจและสัญญาในธรรมดับนัทที่ใดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นคือที่ดับของใจและสัญญาในธรรมข้อความว่าบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นคือนิพพานหมายความว่าพึงเพียรปฏิบัติเพื่อให้รู้นิพพานอันเป็นอารัมมณปัจจัยด้วยมรรคญาณสี่ข้อความว่าจักษุและสัญญาในรูปดับนัทที่ใด บุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นคือที่ดับของจักสุและสัญญาในรูปหมายความว่าเมื่อบุคคลกําหนดรู้รูปนามในขณะเห็นแล้วรู้แจ้งนิพพานความดับของจักสุในสัญญาในรูปย่อมประจักษ์เป็นพิเศษพระพุทธองค์จึงตรัส ถ, ถึงความดับของจักสุและสัญญาในรูปไว้ในเรื่องนี้ดังคำภีอัตถกถาอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนิพพานด้วยการปฏิเสธอายตนะสองในพระดำรัสนี้ว่าจักสุและสัญญาในรูปดับนัที่ใดบุคคลพึงรู้ปัจจัยนั้นอันหนึ่งในขณะที่จักสุและสัญญาในรูปดับเมื่อความดับของจักสุปรากฏชัดความดับของรูปที่เกิดร่วมกับจักสุก็ปรากฏชัดและเมื่อความดับของสัญญาในรูปปรากฏชัด ความดับของจิตในเจตสิกที่เกิดร่วมกับสัญญาในรูปพร้อมทั้งรูปอันเป็นอารมณ์ของสัญญาก็ปรากฏชัดเมื่อความดับของจักสุและสัญญาในรูปปรากฏชัดความดับของวิปัสสนาที่กำหนดรู้รูปนามในขณะเห็นก็ปรากฏชัดสรุปความว่ารูปนามทุกอย่างของพระอริยะที่รู้แจ้งนิพพานในขณะเห็นย่อมดับไป ท่านผู้บรรลุธรรมจึงไม่ได้รู้เห็นรูปนามทุกอย่างในขณะบรรลุมรคผลโดยรับเอาความดับเป็นอารมณ์ในพระสูตรข้างต้นนั้นพระพุทธองค์ระบุถึงความดับของอายตนะเป็นคู่คู่ไปว่าคือนิพพานเนื้อหาโดยรวมตรัสถึงความดับของอายตนะภายในหกและอายตนะภายนอกหกทั้งหมดดังนั้น พระอนนนจึงกล่าวสรุปความพระสูตรนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระพุทธวัจนานั้นพระผู้มีพระภาคทรงพาสิบหมายเอาความดับแห่งอายตนะภายในและภายนอกหกแม้คำพีอตกถาของพระสูตรนั้นก็อธิบายเรื่องนี้ว่าหนึ่งนิพพานได้ชื่อว่าความดับอายตนะภายในและภายนอกหก 2. พระสูตรนี้ตรัสไว้ระบุถึงนิพพานนั้น 3. เพราะจักขุเป็นต้นเป็นสัญญาในรูปเป็นต้นย่อมดับในนิพพานรวมทั้งมติของอาจารย์บางท่านที่พบในอัธกถาของคำมภีอุทานที่สอดคล้องกับข้อความข้างต้นว่าหนึ่งอาจารย์ท่านอื่นกล่าวว่าคำว่าอิทธะในอายตนะภายในนี้ คืออายตนะภายในหกสองคว่าหุรังในอายตนะภายนอกอื่นคืออายตนะภายนอกหกสามคว่าอุพยามันตเรนะในธรรมคือจิตเป็นเจตสิกอันเป็นวิญญาณหกที่นอกจากอายตนะภายในและอายตนะภายนอกคือจิตและเจตสิก ผู้เจริญวิปัสนาพึงกำหนดรู้รูปนามอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏชัดในทวารหกเมื่อมักผลปรากฏขึ้นเขารู้เห็นว่ารูปนามทุกอย่างดับไปโดยไม่มีทวารอารมณ์จิตหรือเจตสิกอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏในขณะนั้นความดับรูปนามอย่างนี้เป็นความดับทุกข์ที่เรียกว่านิพพานเมื่ออายตนะทั้งหมดดับสังขารทั้งหมดก็ดับไปด้วยเช่นกัน พระพุทธองค์จึงกล่าวถึงนิพพานว่าเป็นสภาวะตรงกันข้ามกับสังขารโดยปฏิเสธสังขารทุกอย่างปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุไม่ตั้งอยู่ในนิพพานใดกระแสขันย่อมถอยกลับในนิพพานนั้นวนเวียนกรรมกิเลสและวิบากไม่เป็นไปในนิพพานนี้ รูปและนามย่อมดับไปโดยสิ้นเชิงในนิพพานนี้นิพพานที่บุคคลพึงรู้แจ้งไม่มีใครเห็นได้ไม่มีขอบเขตผุดพองรอบด้านปฏิวีธาตุอปโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาต์ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในนิพพานนี้รูปที่ยาวและสั้นละเอียดและหยาบที่งามและไม่งามย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในนิพพานนี้ รูปนามย่อมดับไม่มีเหลือในนิพพานนี้เพราะวิญญาณดับรูปนามนั้นจึงดับไม่มีเหลือในนิพพานนี้ข้อความว่าเพราะวิญญาณดับรูปนามนั้นจึงดับไม่เหลือในนิพพานนี้หมายความว่าเพราะวิญญาณคือจุติจิตของพระอรหันต์และอภิสังขารวิญญาณคือจิตที่ปรุงแต่งรูปนามจึงดับสนิทโดยสิ้นเชิง ในนิพพานหมายความว่าเพราะจุติดับรูปนามในปัจจุบันจึงดับสนิทและเพราะอภิสังขารวิญญาณที่ให้ผลต่อไปดับรูปนามในอนาคตจึงไม่เกิดขึ้นอีกดังนั้นรูปนามทั้งหมดจึงดับสนิทไม่เกิดอีกเหมือนเปลวไฟที่หมดเชื้อแล้วดับสนิทไปฉะนั้นข้อความว่านิพพานที่บุคคลพึงรู้แจ้ง หมายความว่าพึงรู้แจ้งด้วยมักคยานข้อความว่าไม่มีขอบเขตหมายความว่าไม่มีขอบเขตคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพระดำรัสว่าสัพพโตปปพังมีความหมายสามประการพบในคำพีอัตถกถาว่ามีท่าน้ำรอบด้านคือมีท่าน้ำเพื่อลงเรือเหมือนมหาสมุทรที่มีท่าน้ำรอบด้าน หมายความว่ามีหนทางบรรลุนิพพานด้วยกรรมฐาน38อย่างใดอย่างหนึ่งกรรมฐาน38คือกรรมฐาน40อันได้แก่กะสินสิบอสุภะสิบอนุสติสิบพรหมวิหารสอรุปฌานสอาหาเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งจตุธาตววัตถานหนึ่งโดยรวมอาโลกะกะสิน คือกสินแสงสว่างเข้าในโอทาตากะกศินคือกสินสีขาวและรวมอากากะกศินคือกสินช่องว่างเข้าในอนันตากาสะกศินคือกสินอากาศหาขอบเขตไม่ได้อากาสานัญจายตนะฌานปรากฏในทิศทั้งหมดคือนิพพาน เป็นธรรมที่บุคคลผู้ปฏิบัติชอบสามารถบรรลุได้ในทิศทั้งหมดโดยไม่จำกัดสถานที่ผุดพองรอบด้านคือไม่มีธรรมอื่นที่สว่างสวายชดช่วงบริสุทธิ์ผุดพองกว่านิพพานเพราะไม่ประกอบด้วยกิเลสที่ทำให้เศร้าหมองเช่นเดียวกับการกล่าวถึงปัญญาว่าเหมือนแสงสว่างและกล่าวถึงจิตที่ไม่ประกอบด้วยกิเลสว่าผุดพอง ดังพระพุทธดำรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดพองอีกในหนึ่งข้อความว่าผุดพองรอบด้านหมายความว่าผุดพองรอบด้านเพราะไม่ถูกกิเลสรบกวนให้ขุนมัวกล่าวคือปัญญาและจิตที่ถูกกิเลสซึ่งเกิดร่วมหรือเกิดในการก่อนและเกิดภายหลังรบกวนก็อาจจะขุนมัวไม่ผุดพอง แต่นิพพานเป็นความดับกิเลสและสังขารทุกอย่างจึงไม่ประกอบด้วยกิเลสโดยประการทั้งหมดดังนั้นจึงไม่ถูกกิเลสรบกวนให้ขุนมัวเหมือนการทาสีดำบนอากาศไม่ได้คำอธิบายนี้กล่าวไว้ในคำพีดีกาของสีลักขันทวักการกล่าวว่านิพพานผุดผ่องรอบด้านไม่ใช่ระบุว่านิพพานเป็นแสงสว่างเหมือนแสงจันทร์ แสงอาทิตย์หรือแสงของดวงดาวถ้านิพานเป็นแสงสว่างก็ควรกล่าวไว้ในคำพีบาลีอัตถกถาสั้นๆว่าเป็นอย่างนั้นอีกทั้งไม่ควรกล่าวไว้ในลักษณะตรงกันข้ามจากกิเลสและสังขารว่าความสิ้นราคะความสิ้นราคะราคะขโยความสงบแห่งสังขารทั้งปวงสรรพสังขาระ สมัทโธความไม่เกิดขึ้นอนุปาโทเป็นต้นนอกจากนั้นการถือว่านิพานเป็นแสงสว่างยังขัดแย้งกับข้อความว่าอ น, นิทัศนังไม่มีใครเห็นได้อ น, นิมิตตะปัจจุปถานังมีความไม่มีนิมิตเป็นเครื่องปรากฏและข้อความในพระบาลีอัตถกถาทั้งหมดที่กล่าวว่า ไม่มีรูปนามในนิพพานขอสรุปความของนิพพานด้วยคาถาประพันธ์ว่าผู้มีปัญญาพึงรู้เห็นนิพพานที่พระสุคตทรงแสดงไว้อันมีลักษณะสงัดจากสังขารทั้งปวงมีสภาพห่างไกลจากสังคตะธรรมทั้งสิ้นว่าเป็นเพียงสภาพดับสังขารคาถานี้ชื่อว่าอุปชาตผสมระหว่าง อินทรวงและทุตปะทะโดยบาทที่หนึ่งที่สามและที่สี่เป็นอินทะระยะวงส่วนบาทที่สองเป็นทุตปะทะไม่พบในวุตโตไทปรกรณ์แต่พบในคำพีชันโมมัญชรีว่าทุตปทางภวติ พนพณยาเจคาถาที่ประกอบด้วยนพนะและยะคณะชื่อว่าทุตปทะ